เตี้ยวคับถืออาญาสิเป็นกองหน้าบังคับนายทหารทุกกองแล้วให้พากันยกไปก่อนขณะนั้นก็พอดีกับมาใช้เข้ามารายงานกับสุมาอี้แม่ทัพใหญ่ว่าขนเบ่นให้อองเป่งเตี้ยวหนีเป็นกองหน้ายกมาทางด่านเตรียมโกะแล้วและทางนั้นนะ่ะก็จะมาบรรจบกันณนเะขากีดสารแล้วขเนเบ่งยกเป็นกองหลวงหนุน ม, มา สุมาอีแจ้งดังนั้นก็จึงหันไปกล่าวกับเตียวครับว่าซึ่งของเบงยกมาทางทางเกียร์โกนั้นหวังจะให้ทหารเนี่ยไปรอบเกี่ยวข้าโพสารีนาแดนเมืองหลงเสหี่สุมาอี้อ่านปโปรงเลยทีเดียวเพราะรู้ในภูมิประเทศทั้งปวงวประมาณการได้สำเร็จเสร็จสิ้นละ พวกคเงเ่หม่ต้องขนเสบียงอาหารมารอกจะมาเก็บเกี่ยวขบสรีแนมะ่แดนเราเนี่แดนมึงหลงเสเนี่ยสุมาอี้ก็อยว่าท่านเร่งยกไปตั้งส ก, กัดอยู่ในเขากีสารเรากับโกชุยจะบรรจกันยกไปต้องกลางมึงหลงเสไว้มิให้สารคงไม่เกี่ยวขบสรีได้เปรี้ยวคับก็รับคําสุมาอี้แล้วก็คุมฐานสี่หมืยกไปตั้งอยู่ในเขากีสาร สุมาอี้นั้นก็ยกไปบรรจบ ก, ก, กันกับกองทัพของโกชุยที่ตนมีคําสั่งให้ไปยุบรักษามเมืองหลงเสนะบัดนี้สุมาอี้ยกของตอนไปด้วยไปสมทูกับโกชุยณแดนเมืองหลงเสหลงเสนี่เป็นเมืสําคัญเลยเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ํำเลยทีเดียวละมีข่าวสารมากทีนี้ฝ่ายของเด้งนนะ่ะยกมาถึงเขากีสาร ก็ปั้นข่ายมั่นไว้ครันเห็นกองทัพเียงกเอียยกมาก็คิดว่าจะออกรบพุ่งน้ำบัตนี้เรารีบเบินทัพมานี่เป็นการด่วนสเสบียงอาหารก็มีมาไม่มากบัตนี้เสเบียงในกองทัพเราก็ขัดสนอีกประการหนึ่งลิเงียมจากเสฉวนผิดให้เป็นแม่กองเสเบียงเร่งรัดเอาเสเบียงมาส่งอนะ่ะก็ยังไม่เอาเสเบียงมาส่งให้ทัน นคงเบ่งเริ่มปลาโรคแล้วคงเบ่งก็จึงให้อองเป้งเตี้ยวหนีอยู่รักษาไข่ส่วนคงเบ่งนั้นพาเกียง์อุ้ยและอุ้ยเอียนกับทหารเป็นน้ำมากยกหลักไปทางเมืองโลเสซ่กีโนเจ้าเมืองโลเซ่แจ้งว่าคงเบ่งยกมา ก, ก็คิดเกรงก็มาทำมัดกอนรับเชื้อเชิญกันไปในเมือง ขงเบ่งก็ถามกีนอว่าที่ตำบลไดบงังที่มีข้าโพดสารีมากกีนอก็บอกว่าก็แดนเมืองหลวงเส้นั่นแหละที่นี้ข้าโพดสารีสุกแล้วเป็นอันมากของเบ่งเด็กแจ่มนัน้มีควา ม, มินดีค่อยเตียวเอกมาตรงอยู่รักษาเ ม, มืองหลวงเสน้นี่ส่วนของเบ่งนั้นก็คุมทหารไปหวังที่จะเก็บเกี่ยวข้าโพดสารีในแดนเมืองหลวงเสลนนีซึ่งในขณะนั้น ทหารกองหน้าก็าวเน้ความเข้ามารายงานแก่โค้งเบ่งว่าซูมาอียยกทหารมาตั้งป้องกันอยู่หน้าแดนเรือนหลวงเสโคเบ่งเด็กวันก็ตกใจทีเดียวก็จริงว่าซูมาอี้นั้นร่วงรู้ทันความคิดเราจึงยกทัพมาป้องกันข้าพศรีไว้แค่นี้โคงเบ่งกล่าวดังนี้ และเมื่อคงเบ่งจะยกมาจากเมืองฮันตงนะ่ะได้ถามทำกีเลียนพี่เหมือนกับกีเลียนของคงเบ้งที่เคยขี่เนี่ยสามเล่นด้วยกันอ้าคือทําีเียนเหียอนกันเลยลักษณะเดียวกันอีกสามเล่นแล้วก็ทําหุห่นสองตัวเป็นหุนหน่นรูปหุ่นเหนรูปคงเบ่งเนี่ยซร้ามาด้วยขณะนั้นคงเบ่ง มามแต่งตัวแล้วให้เอาเกวียนทั้งสองนั้นมาแล้วก็เกณฑ์ทหารสําหรับชักเกวียนนุ่งขาวผมขาวสยายผมเล่มละสี่สิบคนสําหรับตีคลองกลองหัวร้องเล่มละห้าร้อยคนและทหารสําหรับล้อมวงอีกเล่มละพันคนกองเกวียนดิตีเป็นสี่กองเกวียนด้วยกันแหะเกวียนยิงให้เกียงอุย้ยสเป็นมายบังคับทหารทั้งตพวง กองเกวีนยนหนึ่งน่ะให้มาใต้อวีเอียนคุมทหารของเบ่งนูน่ผมเหมือนกับหุนทั้งสองตัวที่ทำมานั่นแหละแล้วก็เกณีฐานที่มีพิมีให้ชัดเกวียนยี่สสี่คนสยายผมนุ่งขาหงขา ว, หขาวให้กวนหินบุกกวนอูแต่งตัวดังเทพ ย, ายดาถือธงนำมาเกวียนให้ทหารสามมี ถือเคียวครบมี่สำหรับเกี่ยวข้าโพดสาหริยกไปนมาแดงเมียหลงเสและค่อยเกลียนหุน่นอีกสองกองเกวียนนะั่นละเข้าสุ่มอยู่สองข้างทางตอนนี้ผมเบ่งเล่นกองทัพปีสากันละคือ สร้งกองทัพปีศาจขึ้นะจะ เ, เก็บเกี่ยวข้าวโพดสาเอะคเบ่งจากกองปีศาจขึ้นอย่างนั้นแล้วขณะนั้นบรรดาพวกกองสอดแนมมาใช้มาเร็วของสุมาเอียได้เห็นอย่างนั้นก็ตกใจเห็นกองทัพที่คงเบ่งจากมาเนี่ยคือสงสัยว่าจะเป็นเทพ ย, ายดาหรือผีป่าประการใดอย่างไรกันแน่และวิธีการชนิดนี้ เมื่ประมาณสองพันปีมาแล้วนะ่ะมันเป็นการอ่านง่ายหรือเกินที่จะทําให้เชื่อว่าเป็นกองทัพผีปีศาจต่างๆนานาประการได้เนี่ยจะมาใช้เรานี่ยตกจะให้รีบเอาข่าวเนี่ยไปแจ้งแกสุมาอี้ตามที่เห็นทุกประการนะ่ะก็เห็นว่าเป็นกองทัพผีกองทัพปีศาจเลยสิสุมาอี้เด็กฟังรายงานอย่างนี้เข้าอา่อ จะเชื่อไม่เชื่อก็ตามเธอะแต่ก็ตัดสินใจได้ไม่ง่ายนะออกมายืนอยู่หน้าค่ายเป็นขคงเบ่งขี่เกียนถือพัดขนนกโบกไปมาสุมาอี่ก็าีว่าคงเบ่งแกล้งทำกลบายมาอีกแล้วสุมาอีว่างี้แล้วก็สั่งฐานมาสองกองทัพเรียกว่าสองกองพันเลย ให้เร่งไปจับตัวของเบ่งเล็กเงียนมาให้ได้ฐานมาสองกองพันนั้นก็ขับมาออกจากค่ายไปทีเดียวฝ่ายของเบ่งเห็นดังนั้นก็อา่านมนคาถาเป่ากันทานไว้นี่มนะนี่เรียนเวกมนคาถาแล้วแต่ว่าไม่มีไม่ได้อา่านมนคาถาเป่ากันทานไว้นี่ข้าสุดไล่ามาทาน และห่ า, ายฐานบ่ายนาเยืนเดินไปโดยปกติแหละฝ่ายฐานมาสองกองพังนมันก็รีบขับควบมัตามกัลังทางประมาณสามรอยเส้นระยะไล่เรนีกันนั้นนะ่ะก็คงอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้กใกล้เข้าไปได้นี่เพราะคงเบ่งอ่านมนเป่ากันทางเข้าไว้นี่คือตามไม่ทันอะไรตามมาแต่ก็อยู่ในลักษณะห่างกันประมาณสามรอเส้นนั่นแหละ ของเบง น, นั้นก็กลับมากเวียนหวังจะยั่วฐานสุมาอี้หฮไลทไม่อีอกทหารสุมาอี้เหลนีนก็รีบขับมาตามอีก2 0 0เส้นก็ไม่ทันอันว่าระยาทางใกล้และไก ล, ก, ลก็คงอยู่ดังเก่าแหละเออเบสุก็หยุดมาต้องหยุดแล้วก็คิดสงสัยว่าเอกของเบนก็เดินไปเป็นปกติอะไรแล้วเหตุใดเนี่ย กองทัพมาของเราเนี่ยก็วบมาด้วยกำลังเร็วอย่างเนี้ยเป็นกาลังมาแล้วอย่างเนี้ยก็จึงตามไม่ทันของเบ้งอะ่ะถานแถวนี้ก็เลยจะสงสารใน ง, งานครั้นห็นของเบ้งกลับเกวียนมาก็รลยขับม้าไล่แต่ก็ไม่ทันไม่ทันกองทัพของของเบ้งซูมาอี้เห็นดังนั้นก็ขวบมาพาถานรีบตามไปทีเดียแล้วก็ว่าแกฐานว่า คงเบ้งอ่ะได้เรียนมนป้องกันตัวไว้เราจรึงตามไล่ไม่ทันทหารทั้งพวงอย่าไล่ไปเลยเพราพากันถอยกลับไปค่ายเถอะซูมาอี้ก็มาเห็นเองแล้วว่าไล่ไม่ทันตามไม่ทันค่อยกลับเถอะขณะนั้นก็ดึงเสียงโห่ร้องขึ้นข้างขวาอึ้งๆอ อ, ออกมาทีเดียวซูมาอี้แลไปเห็นคงเบ้งนี่แกนั่งมาบนเกวียน ทหารแคทเงียก็จำนวนเท่ากันอ่าสุมาอีก็ตกใจก็คิดว่าเอ๊ก็คงเบ้งสิหนีว่าไปข้างหน้าหมดแล้วนะนั่นน่ะยังเห็นทหารอยังเห็นฟมนเห็นทงอยู่นู่นน่ะเหตไใดอ่ะคงได้วยมาขี่เกวนอยู่นี่อีกคนนึงอย่างนี้หรอ <c oughs> แล้วก็ยิ่งโหร้องขึนทางข้างซ้ายอีกมีข้างขวาก่อนแล้วนะเอาเสร็จแล้วดินข้างซ้ายอีกแล้วก็เห็นนีก เห็นเกวียนมีของเบ่งอยู่บนเกวียนเราทหารก็อุตลุดกันออกมาเหมือนข้างขวาอีแกแหะลักษณะเหมือนกันเอกของเบ่งตัวที่สามคือของเบ่งตัวที่หนไปข้างหน้าเห็นหลังไวๆตัวที่สองมาข้ขางขวาตัวที่สา ม, มาขางซ้ายเนี่ยสุมาอี้ตกใจมีความสงสัยเป็นอันมากก็ว่าแกถามนะพูกว่ามื่อเมือเมืม่อของเบ่งขี่เกวียนสามเกวียนอย่างนี้ นี่คงชะรอยผีขโมดป่ามันแต้งมาหลอกหลอนเราขณะเมื่อฐานทั้งหลายเห็นและได้ยินสุมาอีฟูเป็นแม่ทัพใหญ่ว่าชะนั้นนะ่ะชะรอยผีขโมดเนี่ยก็พวกตัวเองนะ่ก็คิดหยุดเป็นประตูแล้ววันนี้มันกองทัพผีแล้วไม่ใช่กองทัพคนแต่ก็ยังไม่กล้าที่จะรุกนี้รุกรนน่นหนีไป เมื่อท่านผู้เป็นแม่ทัพใหญ่กล่าวมาชะนี้เองเนี่ยต่างคนต่างก็พร้อมอยู่แล้วนี่คือพร้อมที่จะตกใจแตกตื่นนั่นแหละก็แตกหือเลยทีเดียวชูมาอี้ก็ร้องห้ามแต่จะห้ามยังไรไหวทหารทั้งปวงแตกหนีตะเลิดเปิดเปิงกล้าขอภายโกยแม่กัดเข้าเมืองหลงเสทหารชูมาอี้แผ่นหนีตะเลิดเปิดเปิงเข้าเมืองฝ่ายของเบ่งตัวจริง คือตอนี้มี3ามตัวนี่ตัวโคมแดงตัวจริงเห็นดังนั้นก็ให้ฐาน ท, ทั้งหมดได้่ยกลับมาแล้วฐานสามหมื่นอ่าตรงเรียกว่าผีเคียวข้าวเนี่ยเจ้าผีที่ถือเคียวเป็นอาวุธเนี่ยฐานสามหมื่นที่ถือเคียวเนี่ยแต่งตัวเป็นผีเนี่ยเฮ้ยเก็บเคียวข้าวโพดสาหรีกระทาอยู่อย่างนั้นสองวันก็ได้ข้าโพดสาหรีเป็นอันมากทีเดียวแล้วก็พากันกลับ ยังเมืองโลเสียกองทัพผีผีขโมดป่าหรือผีอะไรก็ช่างเถอะของหกหลงเก็บเกี่ยวข้าโพดซะเลยหออยุดสองวันสองคืนละ่ะสำเร็จปลดไปแล้วทีนี้ฝ่ายซูมาเอียหนีเข้ามาอยู่ในเมืองหลงเส ถ, ถึงสามวัน ฐานรวกองผีกองทัพผีมันยกกลับไปแล้วค่อยฐานออกไปจระเวนนอกเมืองทหารที่ไปตรวนก็ไปจับได้ได้ตัวฐานของเบ่งมาคนนึ่งอาเจ้คนนี้ตามทัพไปไม่ทนันจับตัวมาได้ก็ตัวมาหม้ให้ยสมายิสมา ย, ยิก็ตัวมาสอบสวนไตยถามดูด้วยว่าเหตุใดอ่ะมึงจึงยังอยู่ให้พวกกูจับมาได้เนี่ย ไอ้ผีตัวนี้ไม่ไม่ตามกองทัพไปทหารนี้ก็บอกว่าขบเจ้าพระตกจากหลังมาลงมาเก็บป่วยอยู่ไม่อาจจะหนีท่านไปได้ทหารของท่านจึงจับขบเจ้ามาได้แต่ถานคนนี้ก็รายงานอย่างนี้โอ้ตกหลังมาสูมาอี้ก็ถามแบบโค้งเร่ะทำนิกความรู้ประการใดอ่ะ เราจึงเห็นคงเบ่งอยู่บนเกวียนถึงสามคนเป็นกองทัพผีตั้งสามกองหรือไงและเห็นพาผีขโมดป่ามาทําการด้วยอย่างนั้นหรือเราจึงไม่อาจจะรู้ได้ว่าคงเบ่งอยู่บนเกวียนไหนกันแน่คือเห็นมีถึงสามกองเกวียนด้วยกันเนี่ยเจ้าทหารเนี่ยกลัวอาญาสุมาอี้เป็นที่ยิ่งอยู่ทํำยังไงได้จนก็ต้องบอกก็บอก ตามกลุมาที่ขงเบ้นกระทาทุกประการนั่นแหละคือจัดเตรียน ม, มาแล้วแม้แต่เกลียนแม้แต่หุน่นแม้แต่ทาหารจํานวนผู้คนอุมายซ้ายขวาประการใดอย่างไรเจ้าถารพวกนี้ก็รายงานให้สุมาอีสาบทุกประการสุมาอีเมตฟังความดังนั้นก็ทอดใจใหญ่คือถอนใหใจเลือกเลยแล้วก็จือว่าขงเบ้ง ทำการครั้งนี้ดังเทพพ ย, ยดามาช่วยเหลือกำลังความคิดเราจะอย่างรู้ถึงสุมาเอก็กล่าวเช่นเนี้ยยอมรับในความตามไม่ทันแห่งปัญญาตนขณะนั้นก็บริโกชุยยกมาสุมาเอก็เร่าเนี่ความให้โกชุยฟังทุกประการโกชุยก็จินว่าผมเบ่งทำได้แต่ท่านยังไม่ทันรู้ เมื่อรู้เรื่องชะนี้ก็จะกลัวอะไรหรอบัดนี้เราจะแจ้งว่าคงเบ่งนนะ่ะกำลังสารวณในฐานมวดข้าวอยู่ณนะที่เมืองโลเสียขอให้ท่นแยกฐานออเป็นสองกองเถอะที่ขนาดเข้าไปก็จะจับคงเบ่งได้โดยง่ายและจะทิ้งข้าโพดสตรสเบอร์รี่ทั้งงทั้งหลายเหลนั้นกลับคืนมาได้ด้วยซูมาอีฟังโกชุยในถานใหญ่ของตนว่าดานิเก๋ลชอบเลือด ก็จัดแกงฐานออกเป็นสองก่องแล้วก็ยกจากเมืองหลงเสพุ่งตรงไปสู่เมืองโลเสสิ่งเป็นยุทธภูมินวดข่าวสาลีของของเบ้งละ่ะ นำกองทัพผีไปก็ต้องว่ากันสั้นๆไปขมโมยเกี่ยวข้าโพดสารีเข้ามาได้แล้วเนี่ยออกก็ต้องขมคือจะนวดที่นั่นมันไม่ทันแต่แต่เก็บเกี่ยวเป็นฟ่อนๆๆอนฟ่อนมาอน้าละกมายังมีงโลเสียค่อยถานวดข่าวอยู่ก็ต้องใช้เวลาเนี่ยก็จึงว่าเอคุณนานท่างปวงว่าเวลาค่ำวันนี้ จะมีผู้มาตีเมืองโลเสียและนอกเมืองเนี่ยก็เป็นที่มาอันกว้างขวางอยู่ผู้ใดจะอาสาคุมหานไปสุ้มอยู่ข้างทิศตะวันตกทิศตะวันออกเพื่อจะได้คอยตีกระหนาข้าศึกเข้ามาได้บ้งางผมเบ่งถามหาผู้อาสาเตียนงยีวีเอียนมาตรมาใต้สี่นานี่ก็รับทีเดียวว่าข้าพเจ้าจะขออาสาไปสุ้มเอง ของเด็กเด็กฟังก็มีความยินดีใครเกียงอวี๋อีเอียนสองคนนี่คุณมทหารคนละห้าพันไปซุ่นอยู่ข้างทิ่ตะวันตกหนึ่งหืนห่งละไปซุ่นอยู่ด้านนอกออกไปกทิ้งเหนมาตงมาใตา้คุณมทหารคนละห้าอ่อปะกาบขอภัยคุมทหารคนละพันเดียวนะครับกองละพันเดียวเท่านั้นอา่าอวีเอียนพันหนึ่งมาอา่เกียงอวีพันหนึ่งนีม่มาตงมาใต้ก็คนละพันนี่เหมือนกัน ไปซุ่มอยู่ข้างทิศตะวันออกแล้วก็สั่งว่าถ้าได้ยินเสียงประทัดเมื่อใดายกระกให้คุมทหารตีกระหน่ำเข้ามาทั้งสี่ด้านนี่แหละคือเป็นสี่กองนี่นายฐานทั้งสี่ก็ไปซุ่มอยู่ตามคำของเบ่งสั่งทุกประการและของเบ่งค่อยทหารทุนรักษาหน้าที่เชิญโทนว่าครั้งเวลาเย็ยนของเบ่งค่อยฐานร้อยนึงถือประทัดครบอะ ถือกระท h a ก, กันครบมือทุกคนออกไปซุ่มอยู่นอกประตูข้างทิศเหนือทีนี้ฝ่ายซูมาอีจะมาชิงสเสบียงคีอนอะ่ะเอายกมาอาะจามึงหลงเสียใกล้เชิงกำแพงเมืองโลเสเราครั้นเวลาพรบคำก็ปรึกษากับโกชุยว่าเราจะเข้าปีเอาเมืองโลเสให้ได้ในกลางคืนวันนี้โกชุย ก็เห็นชอบด้วยว่าสมควรแล้วที่จะต้องเข้าตีเอาให้จงได้สุมาอีก็ขับทานเข้าร้องเงินโลเซไว้ครั้งเวลาประมาณยามเสร็จสุมาอีกค่อยมาชายคว่ไปบอกอ่ให้จุดประทัดต่อต่อกันตามสัญญาฐานบลวงก็โหร้องยิงเกาทันก็ไปเป็ น, น, นมากเราทหารที่รักษาหน้าที่เชิงเทินก็รบพุ่ปงป้องกันเข้าไว้นี่ ทีนี้อาฝาสมาอีกจม <lawsuit royable S 1> <ulously, S 2> ต <Snow. S 2> ีล่ะทีนี้ฝ่ายของเบนเห็นได้ทีใจนั้นทหารของตนร้อยคนที่มีประทัดครบมือเนี่ยผมไม่ก็ใส่ฐานจุดประทัดสัญญาขึ้นพร้อมกันฝ่ายเกียอเอนมาตมาใต้สี่นายส่กองเรียกว่าสีกองพันอได้ยินเสียงประทัดัญญาก็คุหฐานปีเกหมาเป็นสี่้านส่ทางราวฐานที่ดินเมืองโลเสล่ะ ผนเมืองอยู่ในเมืนี่ย <c oughs> ก็เปิดประตูเมืองออกมาปีกระหน่าขึ้นไปไล่คาปันทหารซูมาอี่ล้มตายเป็นอันมากทีเดียวฝ่ายซูมาอี้กับโกชุยก็พลัดกันเด็ดต่างคนต่างก็พาทหารที่เหลือตายนะ่ะรบฝ่าหนีออกมาซูมาอี้กับโกชุยหนีมาพบกันเข้าก็พากันกลับไปตั้งอยู่นเชิงเขาแห่งหนึ่งครั้งรุ่งเช้า คงเบ่งก้อยเกงอีเอียนมาตรวมาตมาย ต, ตั้งค่ า, ายอยู่นอกเมืองทั้งสี่ด้านถือไม่ต้องกลับเข้าเมืองละสี่กองทันเนี่ยให้ตั้งค่ายอยู่สี่ด้านหวันที่จะป้องกันค่าสิเป็นอนุสูมาอีททำการไม่สำเร็จฝ่ายโกชุยเนี่ยก็ว่าแก่สุมาอีว่ะแต่เราทำสงครามกับคงเบ้งมาในาก็หลายครั้ง ก็ยังไม่สําเร็จเลยเพราะยังไม่ได้ตัวขงเบ้งมาครั้งนี้ขงเบ้งก็คิดปอนสุดค่าฐานของเราจะเป็นอันมากไงแม้ท่านไม่คิดอ่านกําจัดขงเบ้งให้ได้นานไปก็จะเป็นภัยใหญ่หลวงแก่เราขอให้ท่านมีหนังสือไปถึงเมืองเลียงจิ๋วและเมืองเลงจิ๋วชื่อเมืองเขาคล้ายๆกันเลครับ ออกเสียงต่างกันเล็กน้อยของเองเมืองเลียงจิวเมืองเลงกิวให้ยกทัพมาช่วยข้าพเจ้าจะอาสาคุมฐานไปตีเอาตําบลเกียมกก้ซึ่งเป็นด่านเมืองหันปงให้จงได้กองทัพของเบ่งก็จะขาดสะบิย์ลงและถ้าเขาจูงคุมฐานเข้าตีก็จะมีชายชนะแก่คงเบ้งเป็นมั่นคงเอาโคช่ยวางแผนอย่างนี้ สุมาอี้เห็นด้วยก็จึงมีหนังสือไปถึงมึงเลงกิ้เมึงเลงกิว้วทั้งสองตามคําโกฉุวยว่าฝ่ายซุนเล่แย่งในหนังสือดังนั้นก็จัดแจงทาหารแล้วก็ยกม า, าถึงสุมาอี้ยกมาถึงกองทัพของสุมาอี้ซึ่งตั้งอยู่ในแดนเมืองโลเสชูมาอี้แค่โกฉุวยกับซุนเล่คือมีซุนเล่ นำกำลังทัพมาสมทบเพิ่นเติมด้วนส่มาอี้ค่อยโกชุวยชุนเล่นอ่แหละแบ่งทหารไปตีด่านเกียนโกชีวิฝ่ายเส่งเด่นินเด็นซุมาอี้ออกมารบเป็นหลายวันก็จึงเรียหรกหาเกียนอุยกับมาต้าเขามาแล้วก็พูดแบบซึ่นสุมาอี้ นี่ได้ออกมารบผู้นี้ข้าพเจ้าเห็นว่าคงจะแกล้งม่วงไว้เพื่อเราขาดสเสบียงประการหนึ่งเราก็เกรงว่าสุมาอี้จะให้ทหารยกไปคอยปีตปักเสบียงเราทั้งทั้งสองอจงเห็นแกบ้านเมืองเถิดอย่าได้เห็นแกเด็กแก่เลยจงคุมทหารดินรีบไปสกัดไว้อย่าให้ทุกทหารสุมาอี้ ท้ามันตายแั่กองสเสบียงของเราได้เกียน่อมมาตายก็คุมหางหมื่นหนึ่งรีบไปสกัดทางไว้ก่อน ถึงเร่งมีเด็มซูมาทีอ่ออกรบเป็นหลายวันก็จึงได้หกกักเงินอวยกับมาใต้มาแล้วก็จึงว่าซู้สุมาที่ไม่ได้ออกรบเนี่เห็นจะแป้งมวนไว้ให้เราขาดทะบียนประกรันเราก็เกรงอยู่ว่าสุมาอี้จะให้ทหารยกไปคอยปีตัดทะเบียนเราทั้งทั้งสองจงคุณทหารหนิ รีบไปสกัดไว้อย่าให้ทหารสุมาอิทํามันตรายแกกองสกเสบียงของเราได้เกียงอวีมาตายก็คมุมฐานหนึ่งนึงรีบไปสกัดทางไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนทีนี้ข้างฝ่ายมาชายถือหนังสือไม่แก่เอี่ยวหนีเอียวหนีได้แก่นังสือก็เข้าไปบอกแก่คงเบ้งว่ะซึ่งทําให้กุกหมิดไว้แก่ฐานถึงปวงว่าแม้ถึงร้อยวัน ให้ฐานสิบมทหารผลับที่สองจำนวนสิบหมื่นซึ่งอยู่ที่เมืองฮันโปงมาผลัเปลี่ยนนั้นบัดนี้ก็ครบกําหนดแล้วทหารทั้งนั้นยกมาถึงกลางทางให้มีหนังสือบอกมาจะขอให้ทหารไปรับขงเบ่งเไปฟังนี้นก็มีความยินดีก็ถือว่าเีความข้อนี้เราได้สั่งไว้เองไล ว่าเราลืมไปจําจะต้องให้ฐานถึงออกไปนั้นนะี่ยกลับไปจริงจะชอบคือผักเปลี่ยนกันนะ่ะฐานทั้งตัวรู้นั่นก็ดีใจก็ชวนกันจะแจงเปลี่ยนตัวแต่กลับละคือลัดหนึ่งก็จะได้กลับลัดสองก็มาทําหน้าทีแทนมีของเบ่งวางแผนรบยืดเยื้อกันเป็นแรงปีอ่ะขนานั้นก็พลีมาใช้ก็มาบอกไอ้ขงเบ่งว่าสุ่มเล่คุณฐานประมาณ20่สิบมืน มาช่วยสูมาอี้สูมาอี้เกมฐานกองหนึ่งเห็กไปตีด่านเกียรโกะและตัวสูมาอี้นั้นยกกองทัพจะมาตีเอาเมืองโลเสียนี่รายงานมาอย่างนี้คงเบ่งยังไม่ทันตอบประการไดทหานท่านปวงที่จะได้กลับบ้านรู้อย่างนั้นก็ตกใจเอี่ยมีก็ว่าแกคงเบ่งว่าบัดนี้กองทัพสูมาอี้ยกมาเนี่ย เป็นการจวนตัวด้วยกันอยู่แล้วซึ่งท่านแค่ถามเรานี้ออกไปก่อนนั้นไมยังไม่ได้ถ้าทหารเกณฑ์ลักสองมาถึงเมื่อใดจินแค่ทหารเรานี้ออกไปเมื่อนั้นกีน จ, จะชอ็อกขอเบงก็ตอบปรตัวเราก็ได้ออกปากไปแล้วไหวเขากลับครั้งเจ็ดคืนทำเสหรือทหารทั้งปวงก็เจะร่วงดูหมิ่นได้ ตัวเรายังถืออาญาสิษอยู่หรือแม้ตัวจะเที่ยงพร้อมไปข่าศิษย์อย่างไดเราก็จะรักษาวาจาไว้ให้มั่นคงซึ่งจะขัดเขาไว้นั้นเห็นไม่ชอบดิบิดามาดาบุตระยาเขาจะคอยหากันอยู่นี่เป็นความจําเป็นคือทหารผลักที่ว่ามาเนี่ย ส, สีโฉมเสือมาก่อนในะว่ามาแล้วแต่มันยังไม่ถึงหรอกทนี่คงเบงเห็นหรอสุมาีเนี่ยสงบเงียบอยู่นี ก็จินสั่งแกถามผลัแรกมีให้ปรับได้เนี่ยก็เปลี่ยนตัวจะกลับแล้วบัด น, นี้มาเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นเดียวนีว่าถ้าอยู่ก่อนจะผู้ปล่อยกลับผมไม่บอกไม่ได้จะต้องรักษาวาจะให้มันคงไว้จะขัดเขานั้นไม่ชอบดูบุตรรยาบิดามานาเ็าคอยหากันอยู่เดี๋ยวผมก็ประกาศแกถานักโพลว่าบัด น, นี้ถึงกำหนดผลักเปลี่ยนแล้วจงเร่งพากันกลับไปเถอะ คุเบ่งประกาศให้กลับให้หมดทั้งที่ทหารพระที่สองยังมาไม่ถึงบรรดาทหารทั้งปวงในที่นั้นได้ฟังแคน่นี้ก็จริงว่างข้าพเจ้าทั้งสิ่นนี้จะขอเอาชีวิตหยุดแทนคุณอาสาท่านทำการเอาชายจะมาแต่ข้าสุดห้จงได้ก่อนจึงจะกลับนด้วยความหวังดีของคุเบ่งก็ได้ผลดีตอบแทนรับอย่างเนี้อ ทหารเรานี้กลับไม่กลับไม่ยอมกลับจะอยู่ทําสึกด้วยต่อไปของเบ่งเด็ฟังก็มีความยินดีก็จริงว่าท่านทั้งปวงเป็นใจแกรักเจรการครั้งนี้เราขอบใจนะและของเบ่งก็พาทหานรนักออกไปรักษาข่าอยู่นอกเมืองแล้วก็สั่งว่าถ้าเห็นกองทัพสุมาอี้ยกมาเมื่อใดอะ่ะก็เร่งออกไปอย่าให้ตั้งอยู่ได้ สุดมาอีโยกมาใกล้จะถึงกำแพงเมืองโลเซจะให้ทหารเข้าต้านค่ายนี่บรรดาทหารของของเบงทั้งหลายเหล่านี้ก็สิ่งที่หายากกันยิ่งนักนีนคือน้ำใจเนี่ยทหานเหล่านี้ได้รแับบความสนุกแห่งใจจากขงเบงอย่างมากก็มีน้ำใจตอบของเบงเป็นอย่างยิ่ง แล้วมึมงคงไม่บอกรีสก อ, อนที่สุมาอียกมาเมื่อนยให้เร่งออกตีอย่าให้ตั้งอยู่ได้เนี่ยทาหารเรานี่ก็ทวนกอกโจมปีกระนันท่าฟันทาหารของสุมาอี้คืมัดจะเนินเลงจิว๋วร่มตายเป็นอันมากทีเดียวสุมาอีไม่อาจจะตั้งรับได้ทันสุมาอี้ก็ต้องพาฐานที่เหลือตายทั้งหลายเรามั้นแหละแปกหนีไปเลยทีเดียว เนอันบอกก็ได้กชายชนะง่ายๆอ่ะของเบ่งก็เลิกกลับเข้ามือเพราะทานทูมาอีตามข่าวที่ว่ายกม้าก็ถูกตีกลับไปแล้วแล้ะแอกปูนบำเหน็จแก่ทักแกลสารตามสมควรอ่ะขณะนันพอดีมาชายเอาหนังสือของลิเงียมลิเงียมต่างเป็นแม่กองทะเบียงให้ออกทะเบียงมาส่งให้ทันแต่ลิเงียมเนี่ยส่งทะบียงไม่ทันมาชายเอาหนังสือของลิ่เงียมอ่าซึ่งส่งทะบียงไม่ทันอ่าจิ้บอกลวงมานั่นอ่ะ ไอ้ของเบ่งของเบ่งแบบนี้ฟัก็ตกใจละอ่ะคือใจความที่ลิงเงียนรวงมาเนี่ยความตอนนี้สําคัญยิงเป็นเรื่องที่หกหลงต้องถอยทับเลยทีเดียวละคือลิงเงียน ม, มาสเสบียง ม, มาส่งไม่ทันที่ให้หนังสือกลับมาใช้มาเอามาแจ้งกับของเบ่งเนี่ยเป็นความอย่างนี้ข้าพเจ้าลิงเงียมแจกิติศักดิ์ว่าซึ่งกวน ให้หนังสือไปถึงโจยอยว่าให้ยกกองทัพมันจบกันจะมาตีอมืองเสฉวนโจยอยให้มีหนังสือตอบไปว่าให้สิ่งควรยกกองทัพไปทําการก่อนโจยอยจึงจะยกหนุนไปและบัดนี้กองทัพสิ่งกวนนั้นยังสงบอยู่แต่ข้าพเจ้าว่าจะไว้ใจแต่ข้าศึกนั้นนิได้จึงบอกมาเพื่อให้มาหาอุปราชได้แจง้ง ถ้าจะว่ากันเป็นความลอยลอยก็ลอยๆอยละเอ้าแต่ย่างไงก็ตามเถอะคงเบ่งเด็กแจงความในหนังสือฉบับนี้ของลินเนียมเขาติตกใจเป็นอันมากทีเดียวบนตะวันวาดอยู่แล้วคือถ้าฮูโตะแต่งแต่งรวมกำลังกันขับดขยี้เสฉวนเนี่ยมันก็จะย่ําแย่คงเบ่งก็ปรึกษากับผาน้ำพวงทีเดียวว่ะ ครั้นเราจะทําศึกกับซูมาอีนะ้ในบัดนี้ก็จะต้องเป็นกังวลหลังด้ยสุนกวรจะยกกองทัพไปตีเมืองเสฉวนเราจําจะต้องเลิกทัพกลับไปรักษาเมืองไว้จริงจะควรขงเบงกล่าวดังนี้มายฐานถึงปวงก็เห็นชอบด้วยของเบงก็เห็นามาชายไปบอกกองทัพผิดตังอยู่ในเะขากีสารให้เลิกถอยทัพไปก่อน เราจะอยู่ป้องกันสูมาอีแล้วจะยกตามไปภายหลังองเบ่งตู้ถอยทัพนีเหตุเนื่องด้วยเรื่องของกองสเสบียงีถึงสองครั้งละครั้งแรกกิอันมาส่งสเสบียงไม่ทันแล้วคงเม่งสั่งลงโทษลงทันเกิดเหตุใหญ่โต มาครั้งสองอีกลิกเกียนนี่มาส่งสเสบียงไม่ทันแล้วเพื่อตนท้นโทษพ้นผิดไงก็เอาเหตุอย่างนี้มาอ้างเพื่อของไม่ถอยเสียเมื่อของไม่ถอยตนก็ได้ไม่ต้องเอาสเสบียงมาส่งอืมเป็นไงว่าของเบ้งจำต้องสั่งถอยละ่ละมีคําสั่งไปยังกองทัพเขากีสารให้ถอยก่อนฝ่ายไหนทัพไหนกองนหนเขากี่สารพลเด็กแจ้งดังนั้นก็เลิกทัพกลับ เดี่ยวครับเดี่ยวครับเรียวกว่าถามเอกฝีมือดีของฮูโตะโจยอยซูมาอีเดี๋ยวครับเดี่ยวครับเห็นกองทัพของเบ่งถอยเนี่ยก็ไม่ได้ยกติดตามละทางนี้ด้วยเกรงแก่กกนศึกของเบ่งอยู่มีแน่ว่าจะโดนอายประการใดอย่างไรเดี๋ยวครับก็ไม่กล้าตามก็เลยแต่กลับมาบอกนึกความทุ่งพวงแกซูมาอี้ให้แจ่งซูมาอี้นั้นก็จริงว่า อันโกนศึกของเบ้งนั้นลึกลับนะยากแต่จะตามพันตามรู้ท่านจะได้ติดตามรบพุ่งเข้าไปเลยก็จงไปตั้งอยู่ใเขาติกสารนั่นเถอะถ้าไม่องอทับของเบ้งขาดทะเบียนอาหารเมื่อใดของทับที่เหลืออยู่ทั้งสิ่ขงของของเบ้งขาดทะเบียนลงเมื่อใดก็จะต้องยกกลับไปเองเป็นมั่นคงมวยเก่งนั่นก็จึงพูดคือว่าข้าศึกถอยไปได้ทีแล้ว แต่ท่านไม่ติดตามตีจะมานิ่งอยู่ดังนี้ไพรบ้านพระเมืองจะวระยอกว่าท่านคิดเกรงแต่ฐานเงินเสฉวนเสืามเหมือนมีนึ่ฝูงเนื้อหวาดกลัวต่กลิ่นเสือขอยกกองทัพตามตีให้ฐานคงเบ่งระสำระสายเถอะและจะได้ทำการกันสื่อไปอีกมีปตนว่าอย่างนี้แต่สุ ม, มาอี ผู้โดมกลศึกอูมายทับของคงเบ้งมาย่ำแย่แล้วก็ไม่ได้ยอมกระทำตามคำแนะนำของงีเต็งแต่อย่างใดฝ่ายคงเบ้งครั้นรั่วกองทัพที่เขากีสารนะ่ะเลิกกลับไปแล้ว ก็ให้เรียกหาเอี้ยวหนีกับมาตรงเข้ามาแล้วก็สั่งว่าท่านทั้งสองจงคุมทหารเกาทา น, น, บ, นะ บ, นบุญรีไปซุ่มณตําบลบิโตะอ่บอกบุญอันเป็นปากทางที่จะไปยังด่านเกียนโกะแม่ฐานจะมาอี้ตามไปได้ยินเสียงประทับสัญญาเมื่อใดเราก็ให้ฐานขนเราก้อนศิรามาผมทบผมปากทางเชื่ แล้วให้ทหารเอาเกาทันระดมยิงออกมาทั้งสองข้างทางจับเอาฆ่าศึกไว้ให้ได้ยงังหนีมาตรงกุกุมทหารหมื่นหนึ่งรีบไปจากเมืองโลเสียที่ตอนนี้คองเบงมาตั้งกองบัญชาการที่เมืองโลเสียก็ได้ข่าวจากเมืองหลวงเสมาแล้วนี่มันนวดเทนเทนมีมาตั้งกองบัญชาการอยู่ที่นี่ต้องสั่งให้กองทัพเขาขีดสั้สเลิกแบบตัว น, นี้ก็จะถอยนี่แหละแตนั้นผงไม่สั่ง อวีเอียนกวนหินให้คุมฐานเป็นกองหลังให้เก็บเอาฟืนมาสุมเพลงไว้ค่าศึกเห็นควันเพลงิงและทงหน้าที่เชิงเทินเนี่ยไม่ต้องให้ลดถือไม่ต้องเอาธงลงละแม้กองฐานของเรายกออกจากเมืองแล้วท่านทั้งสองจึงยกตามไปตำบลบอกบุ้มท่าสุมาอี้ยกตามมาก็จงรบล้อไป ขอเบงสั่งการดบบนี้ครั้งสั่งเสร็จแล้วขอเบงก็พากิโนประชาเมืองทั้งนั้นแหละออกจากเมืองโลเสหอุยเอียนกวนหินก็ทําตามคําสั่งคือยังคุมอยู่ธงทิวต่างๆนั้นาประการประดับประดาไว้อย่างนั้นให้ทหารเก็บฟืนมาสูงให้เกิดควัไฟขึ้นเห็นไปไกลๆละ่ะฝ่ายมาใชา้กองสอดแนวหน่วยสังเกต ก, การ เห็นอนั้นก well, ็มีความไปบอกแกสุมาเอียว่ากองทัพของเบงเลิกทัพถอยจากมิโรเสียไปแล้วสุมาอียดีๆอย่างนั้นก็ไปดูใกล้เชิงกำแพงเมืองอ้าวเห็นโทมที่ปากอยู่บนหน้าเชิงเธอเป็นอันมากนี่และในเมืองก็มีควันเพลิงอยู่มันก็เป็นปกติมีควันไฟอยู่อย่างนั้นสุมาอียก็หัวเราะทีเดียวคือความรู้มากบางครั้งก็ทำลายตัวเอง สุมาอีวะเราะแล้วก็พูดว่าคงเบ้งเลยกองทัพกลับไปแล้วยังทําคนดูมายไว้แคนี้อีกเรานี่สุมาอีค่อยฐานเข้าไปดูก็ไม่เห็นผู้คนเลยฐานก็กลับมาบอกว่าไม่มีเลยมีแต่เปลือกเมืองเปล่าๆเขาเรียกว่าเปลือกเมืองสุมาอีโดยฝันก็มีความยินดีแหลรู้ว่าคงเบ้งถอยแน่นะก็จึงว่าครั้งนี้คงเบ้งถอยไปแน่นอนแล้ว ผู้ใดจะอ า, าสาตามไปไตีให้ทหารของเบ่งระํารรมระสายได้บ้างสุมาอีประกาศหาผู้อาสาก็ต้องคนสําคัญสิจริงจะกล้าอาสานะี่ยเพราะทหารปีของเบ่งเนี่ยดีไม่ดีก็จะถูกกลเม็ดในม า, าประการก็มีเตี๋ยวขับขุนทหารเก่าเดือดขับเข้ามาอ า, าสาทีเดียวเข้าไปเจอใจของอาสาไปโจตมตีตัดท้ายของเม่ง แ ต, แตเกเรื่อดไปจนถึงหน้ากระบวนทับหน้าให้จุงได้สุมาอีก็ตอบว่าเดี๋ยวครับท่านจ่ายเร็วนะสุนจะไปนะั่นน่ะเกรงจะเสียท่วงทีเดี๋ยวครับก็ดีว่าท่านเกรงให้ขบเจ้าเป็นกองหน้าหวังจะได้รบทุ่งต่างทานข่าศึกบัดนี้คงไม่ถอยทับไปก็เป็นธรรมเนียนอยู่เองที่ขบเจ้ากองหน้าเนี่ยจะต้องติดตาม เหตุใดท่านจึงห้ามไว้ชะ น, นี้เราสุมาอีก็จริงว่าซึ่งขา้าศึกถอยทัพไปเนี่ยเป็นธทำเนียมว่ากองหน้าจะต้องติดตามโจมตีกระหน่ำซ้ําเต้มน่ะก็จริงอยู่แต่ว่าทางที่จะไปนี่ที่นทางนี่เป็นซอกทางเขากันด่านนะเพราเกรงว่าคงเม่งจะให้ซุ่มทหารอยู่คอยตีกระนาบเอาเราจรึงห้าม่านไว้ หวังจะให้มีสติท่านจะไปนะก็ตามเธอแต่จงประหยัดอย่าเบาความจงมีสติแม้ครั้งนี้เสียทีมาภายมาจะทำการสืบไปอ่ะท่านจะยอดท้อต่อข้าสุดสุมาอี้สัมทับไว้อย่างนี้เดี๋ยวขับก็ตอบตัวเข้าไปจะเป็นชายข้าทหารจะอาส า, าการของเจ้าโดยสุดใจ ถึงแม้ว่าจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตมี่าหารกล้าก็ต้องอาสากันแบบนี้สุมาอีก็เกนถามให้เตียวครับห้าพันและให้มือเตงมือเตงผู้นี้เอาเป็นผู้ที่อยากจะตามปีกองทัพของเบงกิ ง, งนักละให้มือเตงเนี่ยคุมทหารจำนวนสอง0มื่นยกหนุนไปด้วยแล้วสุมาอีก็คุมทหารสามพันยกไปเป็นกองหลัง มีเหลือสกองเลยทีเดียวที่ติดตามตีกองทัพของเบงเนี่ยคือกองที่1เดียวครับพร้อมไปไพร่พลกองหน้าห้าพันกองที่สองมีเบงพร้อมไปไพร่พลสอง0 0ื่กองที่สามถึงไม่ไ พ, พ่พลจำนวนน้อยเพียง3ามพันก็ตามเถอะแต่เป็นกองสํซ้ำขำดูแม่ทัพใหญ่คือสมุมาอีกเป็นผู้ติดตามมาเอง <S <S <S <S <S <S ฝ่ายเตี้ยวครับเตี้ยวครับอุตหันเก่ า, ารุ่มชลุล่องอุนเตียวหุยนุ่รนิปุงเลยเตียวครับเนี่ยรุ่มเก่ามาก เตียวครับนี่คุมทหารรีบตามไปทางประมาณสี่ร้อยเซนก็เห็นอุยเยียนมีกองกองร่อที่หกลงกระทำวัดเห็นอุยเอียนคุมทหานโหร้องมาจากป่าสมอุยเอียนโหร้องท้าทายเป็นข้อหยาบช้าทีเดียวเตียวคับเด็กฝังก็โกรธขับม้าเคารบกับอุยเอียนสู้กันได้สิบห้าเพลงนี่เรียกว่าอยู่ในรุ่นเดียวกันอุยเอียนก็รุ่นเดียวกับเตียวครับอะ อัน า, า ร, รุ่นเดียวกันรบกันอุยเอ๋อ น, นั้นทําเป็นควบมา้าหนีเดียวคับก็ขับม้าตามไ ป, ประยะทางประมาณหกร้อยเซนก็ไม่เห็นอุยเอยนอุยเอยนหลบไปเลยก็เห็นกวนหินนี่กวนหินคุม น, นห้หโหร้องออกมาขวางหน้าวะเดียวคับเห็นก็โกรธนักระไอ้นักรบรุ่นลูกเดียวคับก็ขับมาเขารบกับกวนหินในสิบเพลง กุนหินก็แกล้งขวบมาหนีอีกเตียวครับก็ขับมาตามไปอีกระยะทางประมาณหกร้อยเซนกุนหินก็รับเนินข่าไปพอกุนหินรับตัวไปอุ้ยเหยียนโผล่มาอีกแล้วโผร้องออกมารบกับเตียวครับอีกเก้าเพลงสิบเพลงเหยียงก็แกล้งให้ทหารทิ้งขึอนสากราวชุชะแล้วก็ควบมาหนีต่อไปอีก่าวทหารของเตียวครับมือมิได้รู้ในกลอุบายก็ต้องกล่าวว่าเห็นแก่ได้ด้วยอ่ะ ต่งก็ชวนกันลงจากหลังมาเก็บเครื่องสารอ า, าวุธเราที่ไ้เป็นอันมากทีเดียวเตียวขับกับทหารประมาณ100ร้อยเ็ษขับมารีดตามปุยเอียนไปถึงซอกเขาทางหบอกหมุนก็ได้รบพรุกับอุยเอียนเป็นสามารถีอุยเอียนก็แกล้งขับมาหนีต่อไปอีกจนเวลาเย็นเตียวรับเห็นแสนงโผลนุ่งคลื่นทั้งสองข้างทางการจัดชากมาถอยหรือทหารของ ข, อ ง, ของเบ้ง เกาก้อนธิลามาสมพบปิดปากทางไว้เสียแล้วมื่ยไงตัวล่วงรั้มเข้ามาในศอกเขาอย่างนี้ถูกอีกกองนึงเอาก้อนธิลาปิดปากทางไว้เลยเกียรครับก็ตกใจทีเดียวบัดนี้ได้คิดละ่ะได้คิดทีเดียวว่าตัวกูครั้งนี้เสียแก่ความคิดฆ่าสุดเสียแล้วเกียรครับรูมคิดได้ว่าเสียทีเขาไปละ ก็พอดีสารบนเนินเขาอะ่ะยิงเกาทันทุ่มทิ้งก้อนธิ ร, รุมาดังหาฝนไม่รู้ที่จะหนีออกไปแห่งใดไ ด, ได้และเตี้ยวครับนั้นก็ถูกเกาวทันเขาเป็นหลายแห่งก็ยิ่งมีใจโกรธยิ่งนักและพิษเกาวทันนั้นก็กําเริบขึ้นจนถึงแก่ความตายในที่นั้นเองและฐานน้ำโบติตามมานั้นก็ถูกเกาวทันถูกก้อนธิร์ตายในที่นั้นทั้งสิน้น ฝ่ายทหารของเตียวครับถีงมวสา ร, รวนลงเก็บเครื่องสารกลาวุธ ต, ต่างๆอยู่นะได้เครื่องสารกลาวุธแล้วก็รีบตามเตียวคับไปอะ่ะไปเห็นก้อนกีฬาสมภพปากทางหบอกมุ่นอยู่ ป, ปิดปากทางไปแล้วก็คิดทีเดีว่าเตียวคับนี้คงจะต้องไปมีอันตรายเช่เป็นมั่นคงครั้นจะตามเข้าไปหรือก็กลัวแกความตาย ขณ น, น, นั้นพอได้ยินเสียงฐานของเร่งร้องออมาจากข้างบนนี่ว่าไอ้ราษทหารเตียวครับอย่าตกใจกลัวไปเลยกูหาทำอันตรายไหมมึงจงเร่งพากันกลับไปบอกแกสุมาอีเอ้เถอะว่ากูคิดอ่านทําการครั้งเนี้หวังจะจับม้าตัวหนึ่งอันมีพยศแต่ก็ไม่สมความคิดบักนี้จับได้แต่เพียงเสือร้ายตัวหนึ่งเท่านั้นมึงจงไปกําชับสุมาอี้มามให้ระวังตัว มันจะคิดอ่านจับตัวให้ได้ของเบ่งคิดจะจับซูมาอี้แต่พลามาได้ตัวเตียวครับนะ่ะเอา้า่างทั้งปวงได้ยินดังนั้นนะ่ะก็ทั้งตกใจและก็ทั้งดีใจด้วยดีใจที่ได้รอดชีวิตนะ่ะก็พากันคํานับรีบกลับไปก็ไปพบซูมาอี้ที่ยกตา ม, มานะ่ะเพราะเรามีความต้องให้ฟังทุกประการ เตียวครับมาไปจบสิ้นชีวิตซะแล้วในซอกเขาด้วยเกาทันสุมาี้เด็กแจ้งนั้นก็ตกใจคิดสงสารเตียวครับแล้วก็จริงว่าสิ้นเดียวครับเป็นเหตุทั้งนี้เ่เพราะเราใจเบาปล่อยให้ไปถึงแก่ความตายนี่สุมาอี้กลับคิดลงโทษตัวเองเนี่ยเพราะเราใจเบาปล่อยให้ไปถึงแกบความตาย สุมาอีปรามพึงจะนิเพราะรู้นะรุ้อยู่แล้วว่าจะต้องโดนอูบายขงเบ่งห้ามปรามก็แล้วแต่ในที่สุดก็ตนเองเนี่ยปล่อยให้เกลียวครับปรามตีเข้าไปก็ไปถึงเด็ความตายสุมาอีเขาเลือกกองทัพกลับไปมึงลกเอียงแล้วก็เขาไปกราทกบทรัพระเจ้าโจโยยอยตามที่เคยทาศึกสงครามากับคงเบ่งเสฉวน จนท่านเตียวครับถึงแก่ความตายที่ตำบลทางบอกบุรพระเจ้าโจยยอ ย, อยเมื่อได้แจ้งดังนั้นก็สนงพรโศกปรัสว่าเตียวครับนี้เป็นทหารเอกตั้งแต่ครั้งพระอัยกาคือตั้งแต่ครั้งปูคือโจชโฉจนครั้งพระบิดาคือโจผีจนกระที่มาถึงเรา บาดนี้เตียวครับมาถึงแก่ความตายในถ้ำกลางศึกสมควรเป็นชาติทหารพระเจ้ า, จาโจยย่อยกลับดังนั้นแล้วค่อยทหารจาัด ก, การไปเอาศพเตียวครับมาแล้วก็พระเจ้าทานนินทองให้แต่งการศึกฝังไว้หนเมืองลกเอียงอันนี้เป็นอันว่า เตียวครับจบชีวิตไปขณะเมื่อคองเบงถอยทัพมานะแล้วก็มีชายชนะแกะสุมาอี้แล้วเนี่ยก็ยกกองทัพกลับเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองฮัน๋งนี่ของเบนไ ม, ม่ถ้าไม่จําเป็นนที่สุดแล้จะไม่เข้าเสฉวนจ่อยู่ที่เมืองฮันปงนี่แหละในหน้าด่านสําคัญของเสฉวนเนี่ยฝ่ายลิมิน แจ้ว่าคงเด้งยกทัพกลับมาเนี่ยก็ตกใจอ่ะก็เข้าไปทูงพระเจ้าเราเสีย่ยนนี่คือท่านเสฉวนล่ะว่าข้าพเจ้า จ, าจัดเจงียมสมุนไว้พร้อมอยู่แล้วจะไปส่งกองทัพก็พอมหาอุปราชยกทัพกลับมาถึงเมืองฮัน๋นงเสียแล้วลิเกียนนี่าเป็นคนที่จะกล่าวไว้เชิงรายดีล่ะ เพียงแต่ให้ตลเพื่อพ้นผิดอาชวการนี้น้อยนิดหรือกระไรสร้างเหตุการณ์ใหญ่โตจนต้องทัพมันต้องถอยมาอย่างนี้แต่ละนี่เขาไปกราบทูลพระเจ้าเราเสียนไว้อย่างนี้จต่แจงเสมางไว้แล้วพร้อมแล้วจะไปส่งแล้วแต่กองทัพมหาบ ร, ราษยกกลับมาใชก่อนแล้วพระเจ้าเราเสียนเด้แจ้งดังนั้นก็จึงส่งให้บีหุยไปถามขอ ง, ของเบกน้ำเมืองฮันตง่ะ ว่าขัดสนจริงได้ประการใดอย่างไรจรึงเลือกกองทัพกลับมาคงเบ่งก็บอกว่าตัวเราทําสงครามอยู่ลิเกียนมีนิงสือไปบอกว่าสุ่งกวนจะยกมาตีเมืองเสฉวนเราตกใจด้วยกานกังวลหลังจึงยกกองทัพกลับมาหวังจะป้องกันเมืองเสฉวนไว้คงเบ่งก็ตอบคํำนี้ ดิฮวีนึงก็จริงว่าบัดนี้ลิงเงียบเข้าไปกราบทูลพระเจ้าเราเสียงว่าจัดแจงสเสบียงไว้พร้อมอยู่แล้วจะไปส่งก็พอดีท่านยกกลับมาแค่นั้วพระเจ้าเราเสียงที่ให้ข้าราจ้ามาถารดูเนี่ยว่ได้เหตุใดอะ่ะผมเบงก็ให้ทหารไปดูสเสบียอนอาหารว่าจะพร้อมอยู่เหมือนคําลิงเงียบว่าหรือไม่ผมเบงสั่งทหารไปดูทหารก็ไปดู แต่เนื้อความแล้วก็กลับมาบอกผมเบ่งว่าเหตุด้วยลิงเกียนจับแจงสบียงไม่พันจึงได้มีหนังสือไปลวงท่านนี่เพียงเท่านี้พอแล้วแจงแก้งผมเบ่งเด็กฟังมันก็โกรธดิ่งนะจึงให้ทหารขึ้นไปมือเสฉวนจับเอาตัวลิงเกียมมายังมืงหันผมเมื่อถามไปจับตัวลงเกียน ม, มาได้แล้วผมเบ่งก็จึงว่า พนักงานของตัวแต่ทรงลำเลียงสเสบียงอาหารเท่า น, นั้นตัวก็ทําไม่ได้เมื่อตัวทําไม่ได้แล้วยังแปล้งแต่งหนังสือมาลวงเราโทษตัวถึงแก่ความตายและขไม่ก็สั่งทหารให้เอาตัวนี้นเงียงนไปฆ่าเสียบิฮวีบิฮ ว, วีนี่เรียกว่าขาดเกาตาวิ่งแต่ครั้งรอบปียังมีพระชนทีอยู่ บีหุยนี่เป็นผี่ชายบิหุยบีหุยคุณนางกล่าวผู้นี้ก็จิงว่าอันทษดลินเงียนมันก็ถึงตายแต่มหาปราชญ์ท่านจงคิดถึงพระเจ้าราปีซึ่งเด็กฝากฝังลิเงียมและฝากราชการไว้แก่ท่านนี่บีหุยกล่าวดังนี้ขึ้นมาคมเบ็งเด็กฝังดังนั้นก็น้ำตาไหลเม่คิดถึงพระเจ้าราปี ก็จึงให้โยกโทษลิเนียนไว้และคองเบนก็ให้ลิเนียนบิฮุยเนี่ยกลับไปเฝ้าพระเจ้าเราเสียงณเมืองเฉชวนบิฮุยก็เข้าไปกราบภูนโดยพระเจ้าเราเสียงตามที่ลิเนียนกระทําการจนกระทั่งมหาอุป ร, ราชต้องยกทัพถอยกลับมาเนี่ยบิหุยก็กราบภูนคว้าให้สาบเนี่ยทุกประการละ่ะพระเจ้าเราเสียงแจงดังนั้น ก็ทรงพระโกรธนะกระสั่งให้เอาตัวลิ้งียนไปฆ่าใช่คุณนางทั้งพวงก็กราบทูลขอโทษลิ้นเงียนวะพระเจ้าราเสียนจึงให้ถอดลิงเงียนออกซะ จ, จากที่ขุณนางคงเบ่งก็ยังคิดเอ็นบูลิงเงียนอยู่เมื่อทราบว่าพระเจ้าราเสีงลงนลงโทษลิเงียนดังนั้นคิดถอดออกจากที่คุณนางแล้วฉะนั้นน่ะคงเบ่งก็จึงให้ไปเอาตัวลิืหลวง ซึ่งเป็นบุตรของลิงเกียมเนี่ยมาตั้งเป็นขุนนางแทนตำแหน่งที่ลิงเกียมผู้บิดาต่อไปขณะนั้นขงเ่นกดตั้งทนุบำรุงทัแกละทะหารซ่องสุนทรเบียงอาหารอยู่อีกสาปี เบ่งไม่ละความคิดพี่จะรวมแผ่นดินจีนทั้งสิ้นมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้จงได้เนี่ยออกถอยมาครั้งนี้แล้วก็ตั้งกองสองสูงสหยุดสามปีอาาประชารัฐดอนในมีองเสฉวนและเมืองตั้งชวนคือหันตงเนี่ยเมื่อไม่มีศึกไม่มีสงครามก็ตั้งหน้าทํามาหากินเป็นสุขครั้งนั้นพระเจ้าเหล่าเสียงสเสวยราชได้สิบเอดปี มีอยู่ในปีพุทธศักราช776เป็นอันวสุสงครามสงบหยุดสปี แต่เป็นความสงบที่หกหลงกระเตรียมซ่องสมทุกจรทุกอย่างทุกประการไว้พร้อมณนะครั้งนั้นเทศกาลเดือนสี่ของเด้เข้าไปกราบทูลพรละเจ้าเหล่าเสียงว่าตัวข้าพเจ้าผู้จะทนุบำรุงแผ่นดินให้อยู่เป็นสุดก็ได้ปรมปือทัแตทหารส่องสมสเสบียนอาหารว่างสึกมาถึงสามปีแล้ว มีขบเจ้าขอถวายบังคมลายกกองทัพไปปราบปรามข้าศึกนีนลบเอียงซึ่งเป็นเสี่ยนหนามให้ราบคาบแม้นไม่สมคิดขบเจ้าก็จะไม่กลับมาดูหน้าชาวเสฉวนมีหกหลงประกาศคํานี้ออกมาเลยคือถ้าครั้งนี้ไม่สําเร็จก็ขอตายเลยจะไม่กลับมาดูหน้า ชาวมูลเสฉวนพระเจ้าเราเสียนได้ฟังก็ตกใจก็ตรัสห้ามว่าบัดนี้เมืองเราก็ราบขาบมีภูมิฐานแผ่ไปกว้างขวางและเมืองลอกเอียงเมืองกลางต่างนั้นก็เห็นจะไม่ยกมา ก, กระทำย่มยีแก่เราได้แม้ท่านจะนิ่งอยู่แต่เมือง น, นี้ก็พอจะเป็นสุขสืบไปเหตุใดจะยกกองทัพให้ลำบากกายเรา คงเบงก็กราบทูลว่านี่แหละเป็นความมันสำคัญที่ดียละผมไบงกราบทูลว่าพระเจ้าราบปีองอัติราชผู้ร่วงรับนั้นมีพระคุณชุบเลี้ยงข้าพเจ้าและสั่งไว้ให้คิดอ่านปราบปรามศัตรูในเมืองโลเอียงให้ราบคาบแล้วจะยกโลกเอียงขึ้นเป็นเมืองหลวงดังเก่าและเนื้อความทั้งปวงก็ยังไม่สมความคิดข้าพเจ้าก็ยังนอนตาไม่หลับ ข้าพเจ้าจึงจะยกไปทําการให้สําเร็จผมเบ่งยืนยันตามเจตนาเดินให้ได้ละ่ะจิ๋วจิ๋วผู้เป็นหุน่นเด็กฟังของเบ่งหวานนั้นก็จิงทูลแด่พระเจ้าเราเสียนว่าข้าพเจ้ารู้ในตําวาแล้วเห็นดาวมหาอุปราชเมืองเรานี้เศร้าหมองดาวประจําเมืองฝ่ายเหนือนั้นรุ่งเรืองอันหนึ่งชาวเมืองเราเรู้อย่างลึกกันว่า เวลากลางคืนได้ยินใบสนซึ่งต้องลมนั้นเหมือนเสียงคนร้องไห้อื้ออิงอยู่ซึ่งมหาอุปราจะยกทัพไปครั้งนี้ขอให้งดไว้ก่อนโหนหลวงเข้ามากราบทูลอย่างนี้พระเจ้าเราเสียงก็ยังไม่ได้ทําจะตรับประการใดอ่ะผมเองก็จึงอันไปว่ากับเจ้วจิ๋วโหนหลวงเนี่ยว่า ตัวเราได้รับสั่งจากพระเจ้าเราปี่ไว้เราจะคิดอ่านบรุมแผ่นดินให้ราบคับซึ่งท่านจะเอาเนินมิตมโนสาเร่มาขัดไว้นี้นไม่ได้จำเราจะยกไปทำการตามรับสั่งจริงใจควรและผมไม่ก็าทูดเทียนไปจุดมุูชาพระศบพระเจ้าเราปีกราบลงแล้วก็ร้องไห้รำบะตัวข้าพเจ้า ได้รับรับสั่งพระองค์ให้ปราบปรามศัตรูและจะสมบัติให้รบาบคาบข้าพเจ้าก็ได้ยกไปทําการกับเหล่าศัตรูแผ่นดินณเขาขีสามถึงห้าครั้งมาแล้วแต่ก็ยังไม่สําเร็จตามรับสั่งครั้งนี้ข้าพเจ้จะยกกองทัพไปอีกแม้ไม่สมความคิดก็ดจะมิกลับมาเลยหกลุ่ย ขงเบงประกาศปณิธานแน่วแน่ชะนี้เลยนั้นไม่สมความคิดจะไม่กลับมาเลยครั้งแรกก็กราบพูนต่อพระเจ้าเราเสิง่งแต่มาบัดนี้ก็ต้องกล่าวว่ากราบพูนต่อพระที่พระศพหรือดวงวิญญาณพระเจ้าเราปเปียและขงเบ้งนั้นก็ลาพระเจ้าเราเสียงไปหนึ่งหันตงให้จัดแจงถ้๊กแก่ทหารได้สามสิหมื่น สามสิบสี่หมื่นประเปรียงเครื่องสตราวุไว้ทุกหน่วยกองขนะที่ของเรนสั่งจักแจงกองทัพนั้นก็มีทหารเข้ามารายงานว่าบัดนี้กวนหินป่วยเป็นปัจจุบัน แลด้ถึงแก่ความตายแล้วนี่ข่าวนี้คนบื่อในควาข่าวนี้ก็ตกใจเป็นที่ยิ่งร้องไห้อลัยรักอวนหินจนสลบไปเลยทีเดียวด้วยใจระมุดนึกถึงอวนอูเตียวหวีจูร่งแตกอนที่เคารกกันมาเชื้อสายยังเหลืออยู่ก็หมดสิ้นไปสูญไปเตียวเปล่า ก็ตายไปแล้วอวนหินยังเหลือให้ดูหน้าอีกคนนี่ก็ตายไปสิ่น้ำบัดนี้ของดบ่ร้องไห้จนเขาลกไปเลยทีเดียวมีความเสียใจยอย่างยี่นี่คุณนางท่านปวงนายฐานมาที่นั้นก็ช่วยกันเข้าไปนวดเป้นแกะไขจนฟื้นขึ้นของดบ่งก็จิงว่าอวนหินเป็นทหารเอกมีใจสักฟื้นหรือวนอูผู้บีบา่า ควรที่จะได้ช่วยทะนุบำรุงแผ่นดินสืบไปซึ่งควรหหินมาถึงแด่กวาดตายแค่ครั้งนี้เหมือนเราเสียกำลังไปแก่ค่าสึบกินึ่งทีเดียวคนด้นกล่าวดังนี้แต่แผนการที่จะรวบรวมแผ่นดินจีนทั้งืจะ เ, เป็นอย่างเดียวกันนี้จนได้นั้นมิระงับด้วยเหตุนี้คมเบ่งไม่ยอมยับยัง้งรุ่งขึ้นเชา้าคนเบ่งคอยเกียยอุย้ย วิเอียนคุณมฐานเป็นกองนะหน้าไหลิอินคุณเมเสบียงคงเบ่งเป็นกองหลวงนายฐานยกไปเป็นห้ากองให้ไปบรรจบกันนะยุทธภู